ใจของพวกเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะความสุขความทุกข์ของใจเป็นความสุขความทุกข์ที่รุนแรงมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะดูแลรักษายิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายเพราะความสุขความทุกข์ของร่างกายไม่หนักหนาสาหัสไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับความสุข ความทุกข์ของใจถ้าใจได้การรับได้รับการดูแลด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าใจจะนําความสุขอย่างยิ่งมาให้ถ้าใจไม่ได้รับการดูแรลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะนําความทุกข์อย่างยิ่งมาให้แก่เรา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาใจยิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายอาศัยเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับร่างกายเพราะความสุขของทางร่างกาย และสิ่งต่างๆที่ร่างกายอาศัยให้ความสุขและตัวร่างกายเองก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการดับไปหมดไปเป็นธรรมดา ต่อให้เราดูแลรักษาร่างกายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้ดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดเราก็จะต้องพัดพาคจากร่างกายไปจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแต่ใจนี้จะไม่มีวันพัดพาคจากเราใจนี้ เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดจะอยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบสุขก็ขึ้นอยู่ที่การดูแลรักษาของเรานี่เองถ้าเรามั่นดูแลรักษาใจด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่ดูแล รักษาใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าใจก็จะอยู่อย่างทุกข์อย่างทรมานอยู่อย่างวุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังมากระทำกันก็คือมาศึกษาวิธีรักษาดูแลรักษาใจ ให้ใจอยู่อย่างสงบอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใจของเรานี้จะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราผู้ ด, ดูแลรักษาว่าจะดูแลรักษาหรือไม่ถ้าเราดูแลรักษาใจของเราก็จะสงบจะมีความสุขตลอดเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดขึ้นกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือเกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆที่เรารู้จักที่เรารักจะไม่เป็นปัญหากับใจที่ได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าคอยดูแลรักษาอยู่ใจจะสงบ ใจจะสบายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายไปไม่ว่าบุคคลต่างๆที่เรารักจะจะแก่จะเจ็บจะตายไปจะไม่มาทำให้ใจของเราทุกได้เลยนี่คือความสำคัญของการดูแลรักษาใจ การที่เราจะดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างมีความสุขได้เราต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้จักวิธีดูแลรักษาใจของพระองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาได้ทรงค้นคว้าหาวิธีดูแลรักษาพระไทยของพระองค์ จนสามารถพบวิธีที่จะนักษาพระทัยของพระองค์ให้มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ให้มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆกับร่างกายของพระองค์เองแล้วหลังจากที่ได้ทรง รู้จากวิธีดูแลรักษาใจแล้วก็ส่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพวกเราไม่รู้ว่าใจสำคัญเรากลับไปคิดว่าร่างกายสำคัญ เรากลับไปคิดว่าทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็เลยมาดูแลรักษาร่างกายมาดูแลรักษาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้เราทอดทิ้งการดูแลรักษาใจไปและเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเรา ทุกวุ่นวายใจก็เพราะว่าเรามาดูแลรักษาสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้ไปตลอดนั่นเองเวลาที่เราดูแลรักษาร่างกายดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้เราก็มีความสุขกันแต่เวลาใดที่เราไม่สามารถดูแลรักษาร่างกาย ดูแลรักษาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆได้เวลานั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่แหละ ว, วิธีการที่เรามาดูแลรักษาร่างกายมาดูแลทรัพสมบัติข้าวของเงินทองดูแลบุคคลต่างๆนี้กับกลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราโดยไม่รู้สึกตัว พระพุทธเจ้าส่งคนสงคนพบว่าการดูแลรักษาร่างกายดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองดูแลสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราแทนที่จะให้ความสุขกับใจของพวกเรากับให้ความทุกข์แก่ใจของพวกเราเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราทรัพสมบัติของเราบุคคลต่างๆที่เรารักให้อยู่กับเราไปได้ตลอดนั่นเองเวลาที่เขาเกิดการเสือ่อมเกิดการดับไปเวลานั้นก็เป็นการเป็นการเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเรามาดูแลใจด้วยการปล่อยวางการดูแลรักษาร่างกายดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคืออย่าไปมีความยึดติดกับร่างกายอย่าไปมีความยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้มายึดติดกับธรรมที่จะ ดูแลรักษาใจของเราให้ไม่ทุกข์กับการเสื่อมการดับของร่างกายไม่ทุกข์กับการเสื่อมการดับของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองและสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสละราชสมบัติเมื่อก่อนพระองค์ก็ทรงดูแลพระวรากายของพระองค์เอง ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่จะให้พระองค์มีความสุขแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าร่างกายนี้ต่อให้ดูแลให้ดีอย่างไรก็ตามก็หนีไม่พ้นความแก่หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความตายไปได้เมื่อเวลา ต้องมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยสละการอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือการหาความสุขทรงสละพระราชสมบัติที่เป็นเครื่องมือที่จะให้พระองค์มีความสุขแล้วไปทรงศึกษาค้นคว้าหาวิธี ทำให้ใจของพระ อ, องค์มีความสุขโดยที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายกับการไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองพระ อ, องค์ก็ทรงค้นพบว่าวิธีที่จะทำให้ใจสงบนั้นจำเป็นจะต้องมีธรรมคือศีลมีสติ เพื่อที่จะควบคุมความคิดความปรุงแต่งของใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเมื่อใจมีความสงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปและให้มีให้สร้างปัญญาเพื่อที่จะใช้ในการรักษาความสงบที่จะถูกทําลายจากค่าศึกศัตรูของใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆ ที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการใช้สติควบคุมความคิดต่างๆถ้าเผลอปล่อยให้คิดไปในทางความอยากความสงบที่ได้จากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิก็จะถูกกิเลสตัณหาความโลภความอยากทำลายไปแต่ถ้ามีปัญญา ก็จะสามารถสกัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้ถ้าชี้ให้เห็นว่าการกระทําตามความโลภทําตามความอยากนั้นนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขความสุขที่ได้จากการกระทําตามความโลภความอยากก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวพอเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ ความสุขที่ได้นั้นก็จะหายไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วเวลาไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความทุกข์หรือเวลาที่ได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วเวลาเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เกิดความทุกข์อีกและก็ต้องเสียไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งนั้น ได้มาแล้วก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปอันนี้คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบในการที่จะมาดูแลรักษาใจรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้มีความสุขตลอดเวลาในเบื้องต้นก็ต้องสลระสิ่งที่พระองค์เคยอาศัยอยู่ ที่ให้ความสุขกับพระองค์ก็คือพระราชสมบัติต่างๆพระราชถฐานะของพระราชกรุมารทรงต้องสละเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยิ่งดูแลรักษาก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายใจมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่ามันดูแลได้บางเวลาบางเวลาก็ดูแลไม่ได้ บางเวลาก็อยู่กับเราบางเวลาก็ไม่อยู่กับเราเขามีการเจริญมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเขาเจริญเราก็ดีอกดีใจเวลาเขาเสื่อมเราก็เสียอกเสียใจดงนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะกําจัดความเสียอกเสียใจก็คืออย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเรา ให้สละการหาความสุขทางลาบยศ ส, สรรสนทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วให้มาทำใจให้สงบให้มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเพราะเมื่อเรารู้จักวิธีสร้างความสุขความสงบทางใจแล้วเราจะสามารถสร้างไปได้เรื่อยๆจะไม่มีวันหมด หมดเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้เวลาความสุขใจหมดไปถ้าเรารู้จักวิธีสร้างเราก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้สามารถสร้างได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือไม่มีสิ่งต่างๆไม่มีความจำเป็นต่อการสร้างความสุขทางใจ สิ่งที่มีความจำเป็นต่อการสร้างความสุขทางใจก็คือทรรมที่พุทธเจ้าได้สงคนพบก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่เองถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจจะอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลามีความสุขได้ตลอดเวลา นี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ท่งคนพบที่จะเป็นผู้ที่จะมาดูแลรักษาใจของพวกเราให้อยู่อย่างสมบอยู่อย่างมีความสุขและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้รับจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ จากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆและเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรากําลังหากันอยู่ในตอนนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วอายุขัยของเราหรือบางทีเรายังไม่ทันตายไป ความสุขทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อาจจะหมดไปก่อนก็ได้เงินทองอาจจะไปหมดอาจจะหมดไปก่อนที่เราตายไปก็ได้สิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราอาจจะจากไปก่อนจากก่อนที่เราจะตายไปก็ได้เวลาที่เขาหมดไปเวลาที่เขาจากไปความสุขที่เราได้รับจากเขาก็จะหายไปหมด และสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ทรมานใจเหตุที่คนต้องคิดฆ่าตัวตายกันก็เพราะว่าความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับเขานั้นเองคนที่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้จาทุกข์ทรมานใจมาก จนถึงกับขั้นที่จะคิดค่าตัวตายหรือถึงกับขั้นที่ฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเขาไม่ให้ทุกข์กับการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปสูญเสียร่างกายสูญเสียความความแข็งแรงของร่างกาย ความหนุ่มความสาวของร่างกายสูญเสียสุขภาพของร่างกายไปหรือสูญเสียชีวิตไปจะทําให้เขาทุกข์ทรมานมากถ้าเขาไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองดูแลรักษาใจของเขาแต่ถ้าเขาได้ฝึกได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือ รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ฝึกสติเจริญสติเพื่อจะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วเมื่อใจสงบแล้วก็จเจริญปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสงบเพราะเวลาที่เผลอไปคิดหรือไปรู้เรื่องอะไรก็จะเกิดความโลภความอยากขึ้นมาได้ แล้วเวลาเกิดความโลภความอยากขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถสกัดหรือกำจัดความโลภความอยากได้ถ้ากำจัดไม่ได้ความโลภความอยากก็จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบไปถ้าอยากจะได้ความสุขที่ได้จากความสงบใหม่ก็ต้องฝืนความอยากแล้วกลับไปนั่งสมาธิใหม่ ทำใจให้สงบใหม่พอใจสงบแล้วความสุขก็จะกลับคืนมาแต่ถ้าเราสามารถใช้ปัญญาสกัดเนื้อกาจัดกิเลสความโลภตัณหาความอยากต่างๆได้ต่อไปความโลภความอยากก็จะไม่มีภายในใจเราก็ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อไปทาใจให้สงบ เพราะว่าใจจะสงบเวลาที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาการปฏิบัติจึงมีหลายขั้นหลายตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือให้เราสละความสุขทางร่างกายไปสละลาบยศสรรเสริญสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา มันจะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่สิ่งเหล่านี้หายไปหรือจากเราไปหรือเวลาที่ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เสื่อมคืออยู่ในสภาพของคนชราคนแก่อยู่ในสภาพของคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออยู่ในสภาพของคนตายไปการจะหาความสุขทาง ตาหูจมูกลิ้นกายการจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญก็จะไม่สามารถหาได้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจดังนั้นการการอาศัยร่างกายการอาศัยลาบยศสรรเสริญสุขเพื่อสร้างความสุขให้แก่ใจนี้เป็นวิธีสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงสละวิธีนี้ไปเคยอยู่ในพระราชวังก็เสด็จออกจากพระราชวังไปเคยพึ่งพาอาศัยร่างกายเพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หยุดไม่ใช้มันเถิหลบไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลื่นรสต่างๆก็คือไปอยู่ในป่าในเขา ไปอยู่แบบฤาษีชีไพรไปอยู่แบบนัก บ, บวชไปอยู่แบบผู้ทรงศีลผู้ไม่กระทำบาปกรรมต่างๆเพราะการกระทำบาปกรรมก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจนั่นเองถ้าไม่ได้ทำบาปทากรรมใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์กับการฆ่าผู้อื่นไม่มีความทุกข์จากการลักทรัพย์ของผู้อื่น ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการประพฤติผิดตัวเวณีไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการพูดปดมดเทสโกโหกหลอกลวงไม่มีความทุกข์จากการดื่มสุรายาเมาผู้ที่ต้องการดูแลรักษาใจกําจัดความทุกข์ของใจจําเป็นจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าขึ้นไปก่อนแล้วต่อจากนั้นก็ เพิ่มสินขึ้นไปจากห้าเป็นเป็นแปดข้อเป็นสิบข้อหรือเป็นสองร้อยยิบเจ็ดหรือเป็นสามร้อยกว่าข้อขึ้นอยู่กับฐ า, านะของของตนว่าจะอยู่แบบไหนถ้าอยู่แบบอุบาสกอุบาสิกากักษาสินแปดไปถ้าอยู่แบบสัมมณรกักษาสินสิบ ถ้าอยู่แบบพิกษุนีก็ศีลสองร้อยพิกสูก็สองร้อยยิบเจ็ดพิกษุนีก็สามร้อยกว่าข้อไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงาวางกฎระเบียบเหล่านี้ไว้เพื่อรักษาให้ใจไม่วุ่นวายให้รักษาให้ใจตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองแล้วเมื่อเรามีศีลที่สะอาดที่บริสุทธิ์เราก็จะมี เวลาที่เราจะมาสร้างความสงบให้กับใจด้วยการเจริญสติใจจะสงบหรือไม่สงบนี้ขึ้นอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะมัดใจให้อยู่เฉยๆถ้าใจเป็นเหมือนเหมือนลิง ถ้าเราอยากจะให้ลิงนี่นั่งอยู่เฉยๆเราต้องเอาเชือกมาจับมันมาวัดมามัดไว้กับเสาถ้ามีเชือกมัดลิงไว้กับเสาลิงมันก็จะดิ้นไม่ได้ลิงมันก็จะนั่งต้องนั่งอยู่เฉยๆถ้าใจมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบได้ เวลาใจนิ่งใจสงบใจก็จะมีความสุขเรียกว่ามีสมาธินี่คือความสุขขั้นที่หนึ่งที่ได้จากการทําใจให้สงบแต่เป็นความสงบชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอเวลาสติไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้อยู่ในสมาธิได้ใจก็จะถูกกิเลสตัณหาความโลภความอยาก ดันออกมาเหมือนกับเชือกขาดเวลาเชือกที่มัดลิงไว้ขาดลิงมันก็จะออกมาวิ่งมาเล่นได้จะทาอะไรก็ได้ถ้าเราอยากที่จะทำให้ลิงนี้ไม่วิ่งเลยเราก็ต้องไปเอาเอาวุธมาเช่นเอามีดมาฟันมาฆ่ามันเลยถ้าเราฆ่าลิงได้ ลิงมันก็จะไม่ดิ้นอีกต่อไปฉันใดใจก็เหมือนกับลิงแต่เราไม่สามารถที่จะทำลายใจได้แต่สิ่งที่เราทำลายได้ก็คือตัวที่ทำให้ใจเราดิ้นตัวที่ทำให้ใจเราไม่สงบตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ ก, ก็คือกิเลสตัณหาเองคือความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีความอยากสามชนิดที่เป็นกิเลสที่เราจะต้องทำลายให้ได้ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตันหาและความอยากได้อยากมีความสุขทางร่างกายทางลาบยศสารเสริญสุขเรียกว่าภาวะตันหาและความอยากให้ลาบยศสารเสริญสุข และร่างกายไม่ไม่เสื่อมไม่หมดไปก็เรียกว่าวิภวตัณหาอันนี้เป็นความอยากสามประการที่จะเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความทรมานให้กับใจที่เวลาเกิดขึ้นมาเราต้องใช้ปัญญาคือเหตุผลมายุดมันอยามามาทำลายมัน เช่นเราต้องมองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เช่นราบยศสรเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นของชั่วคราวเรียกว่าอานิจจังไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องหามาใหม่เพราะเรายังอยากได้อยู่เพราะเวลาเราไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเราจะเดือดร้อนนั่นเองเราจะทุกข์เราจะไม่สบายใจเราจะหงุดหงิดลำคาญใจะ เราจึงต้องหารูปเสียงกลิ่นรสมาอยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานใจหรือเวลาเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็เสียอกเสียใจให้เราเห็นว่านี่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วพอไม่ได้ทำตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นคนที่ติดสุรายาเมาคนที่ติดบุหรี่ติดอะไรต่างๆเวลาที่เขาได้เสพได้สัมผัสสิ่งที่เขาอยากจะเสพอยากจะสัมผัสเขาก็มีความสุขแต่เวลาที่เขาขาดสิ่งที่เขาอยากจะเสพอยากจะสัมผัสไปเขาก็จะทุกข์ทรมานใจให้เราใช้ปัญญามองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราว มันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดนสักวันหนึ่งจะต้องมีการพัดภาคจากกันเราจึงไม่ควรที่จะไปอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะหยุดกามัตัณหาได้หยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้ เยุดพึ่งร่างกายได้ร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายไปเราต้องปล่อยวางร่างกายอย่าไปยึดอย่าไปติดร่างกายอย่าไปถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะความจริงมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ มาจากดินน้ำลมไฟคืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปข้าวที่เรารับประทานก็มาจากดินน้ำที่เราเดื่มก็เป็นธาตุน้ำลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายก็เรียกว่าธาตุไฟร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีการแยกสลายไป ในเวลาต่อมาเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แล้ว้าทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันน้ำก็จะไหลออกจากร่างกายไปความร้อนก็จะหายไปลมที่มีอยู่ในร่างกายก็จะระเหยไปปล่อยให้เหลืออยู่ส่วนที่เป็นดินทิ้งไว้มันก็จะผุจะพังไปกลายเป็นดินไป นี่คือธรรมชาติหรือความจริงของร่างกายมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราคือใจเป็นผู้ที่มาครอบครองมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆท่านั้นเองแต่เนื่องจากเราไม่มีปัญญาไม่มีใครสอนใครบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดไปติด ไปอยากให้ร่างกายมันเที่ยงอยากจะให้เป็นของเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ใจเราต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายให้ปล่อยวางลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราปล่อยได้แล้วเวลาเขาเสื่อมไปเวลาเขาจากเราไป เราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกวิธีปล่อยะวิธีปล่อยร่างกายวิธีปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการไปนั่งสมาธินั่นเองเวลาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบตอนนั้นเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเราปล่อยลาบยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายเราปล่อยร่างกายะ เราไม่สนใจเราอยู่กับใจเพียงดวกเพียงอย่างเดียวอยู่แต่อยู่กับสักแต่ว่ารู้ใจจะเข้าสู่จุดนั้นได้ต้องมีสติเป็นผู้ที่ดึงเข้าไปถ้าไม่มีสติใจจะไม่ยอมเข้าเพราะใจมีกิเลสมีตันหามีความอยากต่างๆที่จะคอยผลักดันให้ใจออกไปหาราบยสสศสารสุขออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเอง ดังนั้นเราต้องมาฝึกสร้างสติกันต้องมาคอยควบคุมความคิดของใจตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะถ้าเรามาควบคุมเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิสติจะไม่มีกำลังพอจะสู้ความอยากไม่ได้จะสู้กิเลสไม่ได้กิเลสก็จะคอยดันให้ออกไปหาลาบยศสารเสริญสุขหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ จะไม่ให้เข้าไปข้างในถ้าจะเข้าไปข้างในนี้สติจะต้องมีกำลังมากกว่าในการที่จะมีกำลังมากกว่าก็ต้องคอยควบคุมความคิดความอยากตลอดเวลาเอาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยจนถึงเวลาหลับผู้ที่จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้นี้จำเป็นจะต้องมีสติคอยควบคุมความคิดความอยากต่างๆ ได้ตลอดเวลาถ้าควบคุมได้แล้วเวลานั่งสมาธินี้ใจจะเข้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเวลาใจสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่วิเศษกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสนเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสได้จากการมีร่างกายพอเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะมีความยินดีความพอใจ ที่จะสลัดความสุขทางอื่นไปให้หมดเราจะยินดีที่จะสละความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้จากการมีร่างกายไปเพราะเราไม่ต้องพึ่งความสุขเหล่านี้แล้วเรามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราใช้สติที่เราหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆนี้เอง พอเราได้ความสุขระดับนี้แล้วเราก็อยากจะรักษาความสุขระดับนี้ให้อยู่ไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะรู้ว่าขั้นต่อไปเราก็ต้องมาทําลายความอยากต่างๆความอยากนี้มันไม่ถูกทําลายไปด้วยกําลังของสติสติเพียงกดเอาไว้เท่านั้นเองเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่เวลายกหินออกมา ย่ามันก็จะงอกกลับคืนขึ้นมาได้มาใหม่ได้เพราะรากมันยังไม่ตายฉันใดสตินี่ก็เพียงแต่ไปกดไปกันไม่ให้กิความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาเท่านั้นแล้วพอพอสติอ่อนกำลังลงความอยากมีกำลังมากกว่ามันก็ดึงให้ใจออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมามันก็จะ อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ขึ้นมาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากรักษาลาบยศรรเสริญอยากมีลาบยศฉรเสริญอยากรักษาลาบยศรลเสริญไม่อยากให้มันเสื่อมไปไม่อยากให้ร่างกายเสื่อมไปพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะกำจัดความอยากเหล่านี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ ความอยากอยากได้นะั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถาวรราบยศสารเสริญสุขก็ไม่ถาวรรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ไม่ถาวรร่างกายก็ไม่ถาวรถ้าจะหาก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหามาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ก็จะต้องทุกกับการหา ทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ทุกข์กับการสูญเสียไปนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าการไปทําตามความอยากคือการมตัฐหาภาวะตันห า, ะะหาและวิภวะตันหานี้เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ได้เป็นการพาไปสู่ความสุขวิธีที่จะพาไปสู่ความสุขก็คือต้องไม่ทําตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยาก ต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปจะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้อีกต่อไปใจก็จะอยู่ในความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดเวลาความสุขสงบที่ตลอดเวลานี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าปรมังสุขขังและใจที่ไม่มีตัณหาความอยากต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่านิพานนิพานนี้ไม่ใช่สถานที่ ลิพานี้เป็นสถานภาพของใจของพวกเราที่ได้รับการบําเพ็ญได้รับการปฏิบัติได้รับการขัดเกลาว่าได้รับการดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลสมาธิและปัญญาถ้าเราได้ทําทานได้รักษาศีลได้เจริญสมาธิได้เจริญปัญญาแล้ว ใจของเราก็จะไม่มีตันหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจของเราก็จะเป็นนิพานขึ้นมาใจที่เป็นนิพานก็เป็นใจที่ไม่ไปไขวยคว้าหาร่างกายอันใหม่ใจที่เป็นนิพานก็คือใจที่ไม่ไปเกิดใหม่นั่นเองไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ใจที่ยังมีความอยากอยู่ยังต้องไปเกิดใหม่เพราะความอยากนี้แหละเป็นตัวที่ ดึงให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆการที่เรายังมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆอยู่นี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้กําจัดเหตุที่ทําให้ใจเรามาเกิดกันเหตุที่ทําให้ใจเรามาเกิดกันก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองแต่พอเราได้บําเพ็ญได้ดูแลรักษาใจของพวกเราด้วยการนําเอาคําสอนและตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ พระพุทธเจ้าทรงสละลาชจะสมบัติสละลาภยศเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วออกไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องบำเพ็ญแบบเดียวกันถ้าเราอยากจะได้ใจที่มีแต่บรมมาสุขใจที่ไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเง่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงทรนำนั่นนามาสั่งสอน สิ่งนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาและปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามได้ผลก็จะเกิดขึ้นการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนกับพวกเราดีๆนี่เองท่านสละราชสมบัติได้เราก็ต้องสละสมบัติได้ไ ม, ไม่ช้า ก, ก็เร็วเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเฉนั้นเราสู้สละมันตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ดีกว่า พอเราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราสละหรือจากมันไปตอนที่เราตายเราจะไม่ได้รับประโยชน์เรากลับจะได้รับโทษได้รับความทุกข์เพราะเราไม่ยอมจากมันนั่นเองเพราะฉะน้นเมีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไหกรก็ตามซักวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีเรามาจากแบบพระพุทธเจ้ากันไม่ดีกว่าเลยจากด้วยความยินดีจากด้วยการเห็นโทษของการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองว่ามันไม่ได้เป็นการ ทำให้ใจเรามีความสุขมันเป็นการทําให้ใจเรามีความทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราทุกข์เราก็จะมีะความยินดีมีกําลังใจที่จะสละมันไปเมื่อเราสละสมบัติได้สละความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะได้มีเวลาไปบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วพอใจสงบเราก็จะพ้นพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะรักษาความสุขที่แท้จริงด้วยการทําลายความอยากต่างๆเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาเวลาเกิดความอยากก็ใช้อนิจังทุกขังอนัตตาสอนใจว่ามันการทําตามความอยากมันเป็นความเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข เราก็ฝืนความอยากได้พอเราฝืนความอยากได้ความอยากก็จะหมดกาลังไปสู้เราไม่ได้ไม่สามารถมีอิท ธ, ธิพลดึงให้เราไปทําอะไรต่างๆได้เมื่อเราไม่มีอะไรมาดึงมาก่อกวนใจใจก็จะสงบไปตลอดใจก็เป็นนิพพานไปถ้ามีร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นพระอารหันตสาวกถ้าไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นนิพพานไป นี่คือการดูแลรักษาใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้ความสุขหรือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่ที่มากที่สุดไม่มีความสุขความทุกข์อันใดในโลกนี้อย่ายิ่งใหญ่เท่ากับความสุขหรือความทุกข์ของใจใจที่มีธรรมดูแลรักษาก็จะมีแต่ความสุขใจที่ขาดการดูแลรักษาด้วยธรรมก็จะมีแต่ความทุกข์ แต่ให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากรย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจวาสนามากน้อยเพียงไรต่ใจกลับจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจเพราะว่าจะต้องคอยดูแลรักษาสิ่งที่มีอยู่สมบัติที่มีอยู่รักศาสนานภาพที่มีอยู่การที่ดูแลรักษาก็เป็นความเครียดเป็นความวุ่นวายใจและการเวลาที่ไม่ สามารถรักษาได้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาอีก น, ะนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องสละราชสมบัติแล้วไปดูแลรักษาใจรักษาใจให้สงบกําจัดเหตุที่ทําให้ใจวุ่นวายทําจํากัดเหตุที่ทําให้ใจทุกข์จากัดเหตุที่ทําให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ใดมีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประโยชน์แล้วก็ได้ได้สถานภาพหรือได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันตสาวก ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยความอุตสาหะวิรยะด้วยความอดทนด้วยความต่อเนื่องจนกว่าเราจะได้รับผลรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติแบบไม่หยุดไม่ถอยสักวันหนึ่งผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันจึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นโมฆะอย่างแน่นอนผลที่เราจะได้รับก็คือนิบบานังปรมังสุขขังอย่างแน่นอน เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นนั่นเอ ง, งการแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอนยะถาวาเวาหาปุราปาริปุเลนติสาคระัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิที่ตังปฏิตังตุมหังคิดว่เมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิหจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตหันตาราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธานศิลิสะนิจังวุธาปจายิโนจตาโรโธรรมะวัทธานติอายุวันโนสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็เป็น ช่วงถามตอบต่อปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตงดการถามตอบปัญหาเดี๋ยวจะให้ผู้ที่ส่งคำถามมาจากทางบ้านให้พิธีกรถามให้ก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณจะอดทนทุกอย่างถ้าทำกรรมฐานที่บ้านได้ไหมและปฏิบัติอย่างไรเพราะไม่เคยทำเลยค่ะคือการปฏิบัตินี้จะปฏิบัติที่ไหนก็ได้ข้อสำคัญของสถานที่ก็คือขอให้เป็นที่สงบไม่มีอะไรเหตุการณ์ต่างๆที่จะมารบกวนการปฏิบัติ การปฏิบัตินี้ต้องอาศัยการาควบคุมใจการควบคุมอารมณ์ด้วยการจเจริญสติให้จดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธถ้ามีสิ่งต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆมากระทบก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะเจะเริญให้อยู่กับอารมณ์นั้นได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะฝึกกรรมฐานฝึกนั่งสมาธิจำเป็นที่จะต้องไปปรีกวิเวกคือไปหาสถานที่สงบห่างไกลจากเหตุการ์ต่างๆบุคคลต่างๆห่างไกลาจากแสงสีเสียงเพราะเหตุการณ์เหล่านี้จะมากระทบมากระเทือนกับการเจริญสติคือการตั้งให้ใจตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียว เพราะต้องการจะหยุดความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งนี้ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมามีทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีสวนใหญ่จะเป็นอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าอยากจะพบกับความสุขที่ละเอียดความสุขที่ดีก็ต้องทำใจให้สงบดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงมักจะต้องหาสถานที่ที่สงบ ที่เรียกว่ากายวิเวกแล้วเพื่อใจจะได้วิเวก ค, คำว่าวิเวกก็คือส ง, สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากเหตุการ์ต่างๆดังนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราอยู่คนเดียวเราสามารถที่จะไม่ไม่มีอะไรจะมารบกวนเราในการเาจเริญ ส, สติเราก็อยู่ที่บ้านทำไปก็ได้ แต่ถ้าอยู่ที่บ้านมีคนนั่นคนนี้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคอยดึงใจให้เราออกไปคิดออกไปทําอะไรต่างๆเราก็จะไม่สามารถที่จ ะ, ะจดจ่อใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อหยุดความคิดต่างๆได้ใจก็จะไม่สามารถสงบได้ดังนั้นผู้ที่ไม่มีความสงบที่บ้านจึงมักต้องไปหาที่อื่นเช่นที่วัด ที่วัดที่เป็นวัดปฏิบัตินี้จะเป็นที่ที่สงบที่ไม่มีเสียงไม่มีแสงมีสีไม่มีอะไรต่างๆมาคอยย่วยวนกวนใจแล้ววิธีปฏิบัติก็คือต้องเจริญสติต้องมีอารมณ์ค่อยๆ ค, ยคยวบคุมความคิดปรุงแต่งเช่นให้มีพุทโธเป็นผู้กากับใจถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไป ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าควบคุมได้นานความคิดต่างๆก็จะหยุดคิดได้ชั่วคราวพอใจหยุดคิดแล้วใจก็จะเบาจะสบายจะเย็นเหมือนกับยกภูเขาออกจาก อ, อกไปชั่วคราวอันนี้เป็นผลที่เราจะได้รับในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาฝึกคิดในทางปัญญาเพื่อที่จะได้ถอดถอนเจ้า เหตุที่ทำให้เราไปแบกภูเขาต่างๆที่ทำให้เราหนักอกหนักใจกันสอนให้เราหยุดไปแบกกันเพราะความหลงคิดว่าการไปแบกสิ่งต่างๆเราจะให้มีความสุขแต่ถ้ามองจากความเป็นจริงแล้วมันเป็นความทุกข์มากกว่าเช่นเราแบกราบยศสรรเสริญแบกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราคิดว่าเป็นความสุขกัน แต่เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปไปหาราบยศสรรเสริญไปดูแลรักษาราบยศสรรเสริญและความทุกข์ที่เกิดจากเวลาที่เราสูญเสียราบยศสรรเสริญไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงจะเห็นได้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติคําถามจากคุณชิติวัตร การตามดูลมหายใจภาวนาพุทโธถ้ายังเกิดอาการบังคับลมหายใจอยู่มีอุบายอย่างไรบ้างครับที่ช่วยตรงนี้ให้เหลือแค่การตามดูตามรู้ไม่กำหนดจังหวะสั้นยาวของลมหายใจครับก็อย่าไปใช้ลมหายใจเข้าออกให้ใช้คารบริกรรมเพียงอย่างเดียวบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับลมไม่ต้องไปผูกพุทโธให้อยู่กับลม ให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปซึ่งเราสามารถที่จะปรับให้ช้าก็ได้ให้เร็วก็ได้ขึ้นอยู่แต่ความขึ้นอยู่กับความต้องการของเราบางเวลาใจมันฟุง้งมันมันวุ่นมากมันคิดมากเราอาจจะบริกรรมจะพุโทโธให้ติให้ถี่ขึ้นเพื่อที่จะได้การความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนถ้าเวลาที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งมากเราก็พุโทโธพุโทโธไปแบบสบายสบาย ก็ได้การปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องมีพุโทโธกากับกับลมหายใจอันนี้เป็นอาจจะเป็นอุบายของคนบางคนที่เห็นว่าดูลมแล้วใจก็ยังไม่นิ่งใจ ย, ย, ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ได้ใช้พุโทโธมาช่วยกำกับไว้อีกชั้นหนึ่งแต่คนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากมันทำให้อ่ ไม่สงบก็อย่าไปใช้เหมือนใช้พุโทโธอย่างเดียวหรือใช้ลมอย่างเดียวคําถามจากคุณวชระเวลาตกงานหางานทําไม่ได้จิตมันฟุ้งซ่านกระวนกระวายปฏิบัติลําบากควรพิจารณาอย่างไรหรือครับก็พิจารณาว่างานก็เป็นลาบยศสรรเสริญนี่เองการหาเงินก็เพื่อหาราบ ลาพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่ามันเป็นทุกข์เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจยั้งถ้าเราไม่มีงานทำล้วก็เอามาเอาเวลาที่เราไม่มีงานทานี้มาปฏิบัติทำดีกว่าแต่การที่เราจะปฏิบัติได้เราต้องเปลี่ยนใจคือเลิกคิดจะหางานเพราะถ้าเรายังคิดหางานอยู่เราก็จะเครียดอยู่กับการหางาน จะทําให้เราไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะมานั่งสมาธิได้แต่ถ้าเราพิจารณาว่าชีวิตของเรานี้อาจจะต้องไม่ทํางานเสร็แล้วมัง้งอาจจะต้องมาปฏิบัติธรรมเราก็เลยเปลี่ยนเข็มทิศของชีวิตเราต่อไปนี้เราไม่หางานแล้วเรามีงานรอเราอยู่แล้วคืองานภาวนางานกําจัดกิเลสตัณหางานสร้างสติสมาธิปัญญา เราสู้มาทํางานอย่างนี้ดีกว่าเป็นงานที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บุกเบิกเป็นผู้นําทางให้และผลที่ได้จากงานนี้ก็จะวิเศษกว่าความสุขที่ได้จากการได้งานมาเพราะได้งานมาไม่นานก็อาจจะตกงานขึ้นมาอีกก็ได้ดังนั้นถ้าเราเห็นโทษเห็นทุกข์ของการหางานเห็นคุณเห็นคุณเห็นประโยชน์จากการทํางานของพระพุทธเจ้า เราก็เปลี่ยนงานดีกว่าไม่หางานทําแล้วมาทํางานที่พระพุทธเจ้ามอบให้เราทํากันดีกว่าคําถามจากคุณความว่างเปล่าดิฉันมีพ่อที่ติดเหล้าและขี้โมโหจะใช้ธรรมะข้อใดช่วยเช่นไรดีคะ อ, อ๋อเรื่องของเขานี่เราช่วยเขาไม่ได้เขาต้องช่วยตัวเขาเองจะช่วยได้จะช่วยได้ต่อเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือ ถ้าเขาไม่ม่ขอความช่วยเหลือแสดงว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเราก็อย่าไปช่วยถ้าไปช่วยแล้วมันอาจจะกลายเป็นผลร้ายผลเสียได้เพราะเขาจะโกรธเกลียดเราได้เหมือนกับว่าไปไปสอนเขาหรือไปไปห้ามไม่ให้เขาทําในสิ่งที่เขาลักในสิ่งที่เขาชอบนั่นเองคําถามจากคุณช้างข้อที่หนึ่งคำว่าอัตราตัวตนคืออะไร แล้วทำไมเราถึงไม่ควรมีอัตราตัวตนครับก็ตอนนี้เรามีอัตราตัวตนหรือเปล่าเรามีใช่ไหมอัตราตัวตนก็ถือว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาอันนี้ก็เรียกว่าการมีตัวตนการมีตัวตนก็นําไปสู่การมีความยึดติดมีความรักมีความหวงพอมีอะไรก็จะรักจะหวงจะไม่ให้ไม่อยากให้ใครเอาของที่เรารักเราหวงไปะ อถูกเขาลักเขาเอาไปเราก็เสียใจแล้วเราก็จะเกิดความโกรธความเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมาแล้วจะนาไปสู่การต่อสู้กันไ ป, ไปการทำร้ายทาร้ายกันได้เป็นการจองเวรจอง เ, เป็นเวรเป็นกรรมกันไปการที่ไม่มีตัวตนก็จะทำให้เราไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่ามีอะไรเป็นของเราใครอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไป เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีเขาคิดว่าถ้าถึงเวลาจะต้องจากเขาให้มันจากกันไปผู้ที่ไม่ถือตัวถือตนก็จะไม่ยึดไม่ถือว่าอะไรเป็นของตนเวลาจะเสียอะไรไปก็จะไม่รู้สึกเสียใจข้อที่สองเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธคือการทำจิตใจให้สงบปราศจากความคิดปรุงแต่งในตัณหาและนิวรณ์ถูกต้องหรือไม่ครับ ก็ให้ทำลายความความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ใจตั้งอยู่ในความสงบอยู่แต่ความสุขความพอของใจข้อที่สวิธีการทำจิตใจให้สงบปราศจากความคิดปรุงแต่งในตัณหาและนิวรณ์คือการมีสติรู้เฉยกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรู้สึกนึกคิดที่เข้ามากระทบจิตใจ และให้มีสติจดจอ่อกับการทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดถูกต้องหรือไม่ครับคือให้มีสติอยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าเราจะใช้พุโทโธเราก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าถ้าเราจะใช้การกระทาของร่างกายเราก็เฝ้าดูการกระทาของร่างกายไป ไม่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่เราก็จดจ่อเฝ้าดูอยู่กับการกระทํานั้นเพียงอย่างเดียวเช่นกําลังเดินก็ให้จดจ่ออยู่กับการเดินกําลังนั่งกําลังยืนกําลังนอนกําลังอาบน้ํากําลังแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารไม่ว่ากําลังทําอะไรก็ให้ใจจดจ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปเรื่อยๆไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆใจก็จะมีสมาธิมีสติ และเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ต้องไปบังคับลมให้เข้าดูเฉยๆเหมือนกับเข้าดูการกระ ท, ทําของร่างกายลมจะหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสัน้นยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวปล่อยให้ลมหายใจของเขาตามปกติ <ulator> เหมือนตอนนี้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปบังคับลมแล้วก <cado>.... ็ปล่อยให้ลมหายใจ ของเขาไปตามเรื่องของเขาพอเรามาดูลมเราก็ไม่ต้องไปบังคับเขาใยเขาหายใจไปตามเรื่องของเขาเพื่อเราใช้ลมเพื่อเป็นที่ผูกใจเพื่อไม่ให้ใจไปไปคิดกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองพอเราอยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่องความคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็จะหายไปแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ได้แล้วก็จะมีอุบเบกขามีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจ จะมมีควาสุขอย่าางมกข้อที่สหากผมจะใช้หลักสติปฐานสี่ในชีวิตประจำวันโดยกำหนดสติว่ากายคือการมีสติรู้ลมหายใจและการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆเวทนาคือการมีสติรู้เฉยว่าจิตมีความสุขมีความทุกข์ จิตคือการมีสติรู้เฉยว่าจิตกําลังคิดปรุงแต่งเกิดตัณหามีนิวรณ์ธรรมคือการมีธรรมคือการมีสติรู้เฉยว่าจิตกําลังพิจารณาธรรมและเกิดปัญญาแบบนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเอาเรื่องเดียวอย่างเดียวไม่ใช่เอาทั้งสี่อ่าไม่เอาทั้งกายเวทนาจิตธรรมพร้อมๆกันต้องเอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างที่ง่ายที่สุดก็คือกายให้ดูกายไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเวลาดูก็อย่าไปวิพากวิจาร์ให้ดูเฉยๆดูว่ากาลังยืนกำลังเดินกาลังนั่งดูว่ากำลังอาบนา้กำกาลังแปลงฟันให้ดูไปเฉยๆเพียงอย่างเดียวแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเพื่อให้ใจสงบก่อน เ, เมื่อใจสงบแล้ว เวลาออกจากความสงบขั้นต่อไปก็พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต้องปล่อยวางต้องไม่ยึดไม่ติดต้องไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเวลามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วจะเกิดความทุกข์การปฏิบัตินี้ไม่ได้มาหยุดความแก่ความเจ็บความตาย แต่มาหยุดความทุกข์หยุดความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นของเรานั่นเองถ้าพิจารณาว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟมันจะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปอยากให้มันไม่ไปมันจะไปก็ให้มันไปแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์เวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตาย นี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ให้ได้ร่างกายผ่านร่างกายไปก่อนผ่านร่างกายแล้วค่อยไปขั้นเวทนาไปพิจารณาเวทนาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องปล่อยวางทั้งเวทนาทั้งสามอย่าไปยึดไปติดอยา่าไปอยากให้สุขอย่างเดียวเพราะเวลามันเปลี่ยนไปก็จะทุกข์เวลา ต้องการให้ทุกขเวทนาหายไปเวลามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันไม่หายก็จะทำให้เราทุกข์เราต้องรับเวทนาทั้งสามได้เท่าๆกันถ้าเรารับสุขเวทนาได้เราก็รับทุกขเวทนาได้ถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางไม่ไปอยากให้สุขอย่างเดียวถ้าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวพอทุกข์มันก็จะเกิดพอเกิดทุกขเวทนามันก็จะอยากให้ทุกขเวทนาหายไป พอเกิดความอยากให้หายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของเวทนานี่คือการปฏิบัติต้องไปทีละขั้นไปทีละตัวขั้นต้นก็เอากายกายแล้วก็เวทนาได้เวทนาแล้วก็ไปว่ากันที่จิตอีกทีหนึ่งเมื่อว่าถึงที่จิตแล้วก็จะได้ทำได้หลุดพน้นได้นิพพาน คำถามจากคุณลัทถาพยายามมีสติในเวลาระหว่างวันโดยสวดมนต์หรือสูดลมหายใจหรือหลายวิธีแต่ไม่สามารถชวนให้มีสติได้เลยค่ะสมองก็ยังคิดเรื่องอื่นตลอดเวลาเลยค่ะก็ต้องพยายามต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็เอาวิธีนั้นอย่าไปเปลี่ยนมันหลายวิธีด้วยกันเช่นลองพุโทโธไปก่อนพุโทโธไม่ได้ลองสวดบทสั้นๆไปก่อน เช่นพุทธังสราระณังกัจฉามิธรรมังสราระณังกัจฉามิสังขังสะระณังกัจฉามิไปสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็สวดไปจะหยุดสวดก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดกับงานการที่เราทำอยู่เช่นต้องการต้องทำบัญชีต้องคิดเลขต้องวางแผนตอนนั้นเราก็หยุดคําบริกรรมหยุดการสวดไปภายในใจ พอเราทำงานเสร็จแล้วเราก็มาสวดต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดเพอ้อฝันอย่าให้ปล่อยให้ใจคิดไปตามความอยากความโลภต่างๆเพราะจะทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบนั่นเองคำถามจากคุณพาสกรผมขอมากราบเรียนส่งการบ้านครับช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาผมภาวนามากขึ้นกว่าเดิม ตอนกลางคืนก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเท่าที่เวลาจะอำนวยตอนกลางวันก็พยายามรักษาสติให้มีเท่าที่พอจะระลึกได้พยายามรักษาศีห์ห้าให้ได้อย่างที่พระอาจารย์แนะนำผลที่เกิดจากการภาวนาคือเมื่อจิตสงบไปได้ในระดับขั้นของอุปจารสมาธิแล้วผมมักเอากายคตาสติมาพิจารณา ว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังรวมถึงอวั ย, ว, ยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายล้วนเป็นของโศกโปรกเป็นของเสื่อมไม่จีรังยั่งยืนภาวนาและพิจารณาเช่นนี้มาตลอดในช่วงสองถึงสเดือนจนกระทั่งเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมกับภรรยาและลูกนั่งอยู่ในร้านอาหารภรรยาและลูกนั่งกินและเล่นโซเชียลมีเดีย ผมจึงหลับตาภาวนากำหนดจิตด้วยการดูลมหายใจประมาณสิบนาทีจิตก็เริ่มสงบจากนั้นจึงค่อยๆมีภาพของนิมิตมาให้เห็นในช่วงแรกๆ ก, ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรอาศัยการใช้จิตตามดูไปเรื่อยๆดูด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางคือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินดูไปแป๊บหนึ่งภาพนิมิตชัดขึ้น เป็นรูปหัวใจลอยเด่นสว่างจ้าอยู่ผมตามดูไปสักระยะหนึ่งจิตก็ถอนออกมาเห็นภรรยาและลูกกำลังลุกจากโต๊ะกราบเรียนถามว่า้อที่หนึ่งในการพิจารณากายคตาสติจำเป็นหรือเปล่าครับว่าเราจะต้องพิจารณาอวัยวะทั้งหมดหรือใช้เพียงการพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งก็พอเพราะเท่าที่กระผมได้มีประสบการมาผม ผมส่วนใหญ่ผมจะพิจารณาเฉพาะผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มักจะมีภาพนิมิตปรากฏให้เห็นอยู่เนื่งเนืองเช่นเห็นเป็นกระดูกหน้าอกบ้างกระดูกซี่โครงบ้างกระดูกเชิงกรานบ้างเส้นผมบ้างแม้กระทั่งอุจจาระล่าสุดก็เห็นเป็นหัวใจแนวทางที่ผมปฏิบัติอยู่เป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือเปล่าครับคือการพิจารณาร่างกายนี้ก็มี เป้าหมายอยู่สองสามชนิดด้วยกันเป้าหมายแรกก็ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมีการเกิดแล้วมีการเจริญพอเจริญเต็มที่แล้วก็มีการเสรื่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปแล้วก็กลับคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟไป การพิจารณาดูอวัยวะต่างๆก็ดูเพื่อให้รู้ว่าไม่มีตัวตนในอวัยวะเหล่านี้ภายในร่างกายนี้ถ้าเราค้นหาเราจะไม่พบตัวเราเราจะพบแต่อาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเราจะได้หายหลงว่าไปคิดว่าเร า, เ, ราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราเราจะได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32เพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกายไม่ไปยึดไม่ไปติดกับร่างกาย เวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันอีกประการหนึ่งที่เราพิจารณาก็คือเราพิจารณาดูส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมของร่างกายเพราะเรายังมีการอารมณ์อยู่การอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการเราไปเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายเช่นไปเห็นหน้าเห็นตาเห็นผ้าเห็นผมเห็นเนื้อเห็นหนังนี่มันก็ทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมา ถ้าเราอยากจะดับการมารมณเราก็ต้องมองไปในส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมเช่นมองเข้าไปดูโครงกระดูกของร่างกายมองไปดูอวัยวะเช่นตับปอดหัวใจลำไส้อะไรอย่างนี้ดูเพื่อดับการมารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการมารมณนี้จะทําให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องกลับมาเสพกามอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องกําจัดการมารมณ เราก็ต้องดูส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมเพื่อเวลาเห็นแล้วมันก็จะทําให้ไม่มีกามาลมดับกามาลมได้นี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายมีอยู่สองสามลักษณะด้วยกันพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงพิจารณาว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่เราของเราพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาของใจที่ไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกาย แล้วก็ไปทุกกับร่างกายของตนและร่างกายของคนที่เรารักที่เราชอบ้อที่สองการที่ภาพนิมิตมาปรากฏให้เห็นหลังจากที่พิจารณากายคตาสติตั้งแต่เมื่อคืนโดยมาปรากฏให้เห็นในช่วงนั่งพักผ่อนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแสดงว่าจิตมันทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ และทำไมการปรากฏของภาพนิมิตจึงไม่ปรากฏขึ้นหลังจากที่เราได้ภาวนาและพิจารณากายะคตาสติในทันทีตั้งแต่ตอนกลางคืนครับคือการภาวนาของเรามันผิดตั้งแต่ตอนนั่งสมาธิแล้วจิตยังไม่ทันสงบเต็มที่เราก็ปล่อยปล่อยให้มันผลิตนิมิตต่างๆขึ้นมาซึ่งนิมิตต่างๆเหล่านี้มันไม่มีนัยยะสำคัญอะไรไม่มีประโยชน์อะไรกับเรา เราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันผลิตนิมิตต่างๆเราควรที่จะเจริญสติพุทโธต่อไปเลือยดูลมหายใจต่อไปเพื่อให้มันรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ให้มันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งไม่มีภาพไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความว่างมีแต่สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงอย่างเดียวอันนั้นเป็นการภาวนาเพื่อให้ได้สมาธิให้ได้บูเบขา การนั่งสมาธินี้เราต้องการความสงบต้องการอุเบกขาคือใจเป็นกลางใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วให้พอได้แล้วก็ให้ประครับประคองด้วยสติให้อยู่ในสมาธิเน้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ไม่ใช่พอเข้าไปปุ๊บก็เริ่มพิจารณาอันนี้เป็นการทำลายสมาธิที่ได้แล้วการพิจารณาก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะไม่ สามารถมาควบคุมใจได้เดี๋ยวก็มีนิมิตรายต่างๆขึ้นมาแล้วก็หลงไปกับนิมิตไปการภาวนานมไม่ต้องการเห็นนิมิตไม่ต้องการรู้นิมิตต้องการความว่างความสงบความเป็นอุเบกขาพอออกจากสมาธิมาแล้วถ้อยมาเจริญปัญญาด้วยสติพิจารณาไม่ต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิเดินจงกรมหรือทำอะไรนี่สามารถเจริญปัญญาได้ สอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงเอาไว้วะสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะอันนี้สอนได้พิจารณาได้เจริญได้ในขณะที่ไม่แน่อยู่ในสมาธิแต่เวลานั่งสมาธินี้ต้องการให้มันเป็นสมาธิให้นานๆยิ่งนานเท่าไหร่กำลังของโอเบคาคือความเป็นกลางจะมีมากขึ้นจะมีกาลังต่อสู้กับปัญหาความอยากต่างๆได้ ที่เราต้องใช้เวลาเราเจริญปัญญาพอบางทีเจริญปัญญาเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะดึงใจให้ไปทำตามความอยากเราก็ต้องหยุดมันใช้ปัญญาสกัดความอยากไว้ง <Yeah. S 1> นั้นการภาวนานี้ต้องแบ่งเป็นสองตอนจริงๆขณะทาสมาธิก็เอาสมาธิอย่างเดียวอย่าปล่อยไปอย่าไปพิจารณาอย่าไปเห็นนิมิตอะไรทั้งนั้นนั่งหลับตาเพื่อจิตสงบให้นิ่ง ให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้แล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วก็บังคับให้คิดไปในทางที่เป็นปัญญาคือใยรักพิจารณาทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่มีนิมิตอะไรมาเกี่ยวข้องเลยที่มีนิมิตมาเกี่ยวข้องก็เพราะไม่มีสติควบคุมใจพอปล่อยใจไปเดี๋ยวมันก็ผลิต นิมิตอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปวุ่นวายไปกับนิมิตไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างเป็นแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลายเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวตหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหอถามเพิ่มเติมได้นะอะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็มีคําถามที่ถามสดมาจากทางบ้านตอนนี้เรากําลังถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีอยู่สามช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ไลฟ์เรดิโอเลฟดัมมะเรดิโอกับนวัต ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะคือโยมตอนนี้โยมติดเรื่องเวทนาเจ้าค่ะคือโยมพยายามที่จะให้ผ่านเวทนาแต่ว่าตอนนี้ยังผ่านเวทนาไม่ได้อยากจะขออุบายจากพระอาจารย์เจ้าค่ะ เวลาเจอเวทนาเราผ่านไม่ได้ก็เพราะสติเราไม่มีกําลังพอยิ่งต้องพยายามสร้างสติให้มากๆววาเวลาเจอเวทนาก็พุทโธพุทโธไปอย่าสงอย่าให้ใจไปคิดถึงเวทนาเพราะคิดถึงเวทนาจะเกิดตัณหาความอยากให้เวทนาหายไปพอเกิดตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ใจที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะทุกขเวทนาแต่เป็นเพราะความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยาก แต่ถ้าเรามีสติสามารถควบคุมใจให้อยู่กับคำบิกรรมพุโทโธพุธโทโธไปได้มันก็จะสกัดไม่ให้เกิดความอยากให้เวทนาหายไปพอไม่มีความอยากให้เวทนาหายไปเราก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้แล้วพอจิตสงบเวทนาก็หายไปจิตก็สงบอย่างนั้นพยายามเวลาเจอความเจ็บอย่าไปส่งใจไปที่ความเจ็บเดึงกลับมาที่พุโทโธ บริการพุโทโธท่องพุโทโธให้มันขาดใจไปกับพุโทโธเลยอย่าส่งใจให้มันไปหาความเจ็บแล้วเดี๋ยวถ้าอยู่กับพุโทโธได้แล้วความเจ็บก็จะไม่รุนแรงแล้วใจก็จะไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บถ้ามันไม่สงบมันก็ยังอยู่อยู่อยู่ด้วยกันได้แล้วก็แล้วก็พุโทโธเราไปได้เรื่อยๆก็นั่งอยู่กับความเจ็บได้ถ้าจิตสงบความเจ็บก็หายไปอันนี้สิ่งที่เราขาดก็คือสติ พอเจอเวทนาปัสติตแตกหายไปเลยไม่อยู่กับพุทโธเลยเห็นต้องเวลาเกิดเวทนานี้เราต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่สนใจกับเวทนาเลยถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้เดี๋ยวก็จะอยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บจะไม่ดุนแรงที่ดุนแรงคือความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราสกัดความอยากนี้ได้ความทุกข์ทรมานใจจะไม่มี แล้วความเจ็บของเวทนาจะไม่รุนแรงจะอยู่กับเขาได้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากคุณาจากคุณทิพนาคานะครับเวลานั่งสมาธิที่บ้านชอบเปิดเทปบทสวดหรือบทบรรเลงเกี่ยวกับสมาธิ ฟังแล้วรู้สึกสบายใจดีผ่อนคลายจะได้ไหมคะหรือจะนั่งแบบภาวนาปกติจะดีกว่าถ้านั่งแบบไม่ต้องใช้เพลงไม่ต้องใช้เสียงสวดกล่อมก็จะดีกว่าเพราะเราไม่ต้องการอาศัยสิ่งภายนอกมาช่วยเราในการทำสมาธิในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีเพลงมากล่อมไม่มีเสียงสวดมากล่อมอาศัยสติของเรานี่สำคัญกว่า พยายามสร้างสติขึ้นมาใช้บทสวดมนต์ของเราเองก็ได้ถ้าเราอยากจะต้องการเสียงกล่อมก็สวดมนต์ไปภายในใจหรือว่าบริกรรมพุทโธไปภายในใจหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างนี้จะทำให้ใจนิ่งจะสงบกว่าคำถามจากคุณฐานิตนะครับเวลาเดินจงกรมภาวนาพุทโธ พร้อมลมเข้าออกได้ไหมครับเวลาเดินจงกรมก็ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็พอไม่ต้องดูลมก็ได้หรือจะอยู่กับเท้าก็ได้ดูเท้าว่วากําลังก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาไปหรือจะซ้ายว่าพุทโธขวาว่าพุทโธไปก็ได้คือเป้าหมายของการกระทําเหล่านี้เพื่อสกัดความคิดปรุงแต่งไม่ให้ใจเรามีโอกาสไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเอง ถ้าใจเราไม่มีอะไรทำเดี๋ยวมันก็อดคิดไม่ได้พอมันมีงานทำมันต้องพุทโทรมันต้องดูเท้าอย่างงี้มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คำถามจากคุณน้อยนะครับเคยเห็นเพื่อนที่เป็นเกย์เป็นกระเทยวงเล็บยังไม่แปลงเพศพ่อแม่เขาให้บวชแล้วก็ได้บวชในพระศาสนาตอนไปหาอุปชาท่านไม่ว่าอย่างไรเขา ว, วางตัวเรียบร้อยและในระหว่าง เป็นพระท่านปฏิบัติตัวเรียบร้อยอยากกาบเรียนถามว่าเคยมีอย่างนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลไหมและถ้าพระพวกท่านเหล่านี้ปฏิบัติ ด, ดีได้จะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหมได้การบรรลุธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นไม่เป็นหญิงไม่เป็นชาย มันอยู่ที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะบรรลุได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสเพศไม่เกี่ยวคำถามจากคุณก้อยนะครับถ้าเราอยากให้ลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็จะโกรธอยากจะขออุบายจากพระอาจารย์ว่า จะตัดความอยากให้ลูกเชื่อฟังเราได้อย่างไรเพราะตัดได้ยากเหลือเกินก็เพราะว่าเราไปหลงรักเขานั่นเองพอเรารักเขาเราก็อยากจะให้เขาได้ดีแล้วพอเขาไม่อยากได้ดีเราก็จะโกรธเขาแต่เราต้องมองว่าความจริงเขาเป็นลูกเราเพียงครึ่งเดียวคือเป็นลูกทางร่างกายเขาได้ร่างกายจากเรา แต่จิตใจนี้เขาไม่ได้มาจากเราเขามาจากกรรมของเขาในอดีตเขามีกรรมเป็นเผ่าพันุเขามีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดเขามีกรรมของเขาเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่งกรรมของเขาก็คือเขาไม่ชอบเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่พอก็มาเกิดมาได้รับคําสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะไม่เชื่อฟัง เป็นลิศสายติดตัวเข้ามาที่เราแก้ให้เขาไม่ได้เรามีหน้าที่สั่งสอนแล้วก็สั่งสอนไปตามหน้าที่ของเราเขาจะฟังไม่ฟังจะปฏิบัติตามหรือไม่อันนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้ใคิดว่าเร า, เ, าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเท่านั้นไม่ได้เป็นแม่ลูกพ่อลูกกันแท้จริงเป็นเพียงแต่มาอาศัยบ้านอยู่ด้วยกัน เขามาสายท้องเรามามาเกิดอาศัยร่างกายที่เราผลิตเป็นเป็นที่อยู่ของเขาส่วนการที่เขาจะฟังเราหรือไม่นี้มันเป็นเรื่องของเขาคนบางคนว่านอนสอนง่ายเพราะอาดีตเขาเป็นนิสัยอย่างนี้มาบางคนก็เป็นคนดื้อดึงไม่เชื่อไม่ฟังดังนั้นถ้าเราเจอคนดื้อดึงเราก็ต้องทำใจทำหน้าที่ของเราไป ส่วนเขาจะดีไม่ดีมันเป็นเรื่องของกรรมของเขาเขาจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปคาถามจากคุณพรธ น, น, นานะครับเวลาฝึกนั่งสมาธิจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหลังตรงไหมคะหรือนั่งแบบอื่นก็ได้ถ้านั่ง ข, ขัดสมาธินั่งตัวตรงได้ก็จะเป็นท่านั่งที่ดีสุด พราะถ้าเราปฏิบัติมากๆเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะนั่งนานและการที่จะนั่งนานได้อย่างสบายไม่ทําให้ร่างกาย เ, าเป็นอะไรไปนี่คือการนั่งท่าขัดสมาธินี่ถ้านั่งในท่าอื่นนี้มันจะไม่มันอาจจะเอนอาจจะเอียงอาจจะล้มไปได้ดังนั้นเวลาที่เขาปฏิบัติกันอย่างจริงๆอย่างจังเขามักจะนั่งในท่าขัดท่าขัดสมาธิกัน แต่ถ้าเรามีปัญหาทางร่างกายไม่สามารถนั่งได้ก็นั่งในท่าไหนก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขอบเตียงก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดจะนั่งไม่ได้นานคำถามจากคุณไตรุดนะครับเราฝากเงินหรือสิ่งของไปทําบุญเช่นร่วมเงินกระถินผ้าป่าได้บุญแค่ไหนเจ้าคะก็ได้บุญเท่าเงินที่เราเอาไปทํนั่นแหละ เราไปทําเองหรือฝากคนก็ไปทําก็ได้เท่ากันคําถามจากคุณวาสนานะครับในพรรษาวันพระวัดที่บ้านจะมีคนอยู่วัดรักษาศีลแต่เวลาสวดมนต์ทำวัดเขาจะทําเหมือนไม่ค่อยตั้งใจทํากันแบบเล่นไปคุยไปแบบทํากันเองค่ะไม่มีพระนําสวดแต่ลูกเคยไปวัดสายพระปฏิบัติท่านบอกให้ตั้งใจสวด แล้วถ้าเราทำเหมือนเล่นๆจะมีโทษไหมคะจะไม่ได้ระโยน์เท่านั้นเองการทำอะไรแบบเล่นๆมันจะมันไม่จดจอ่อการทการทำให้ทำแบบจริงจังทำแบบจดจ่อเพื่อให้เกิดสติถ้าเราทำแบบเล่นๆนี้เราก็จะทำไปแบบไม่มีสติกันประโยชน์ที่จะได้รับก็คือความสงบจะไม่เกิดขึ้นคำถามจากคุณพิชละพันธ์นะครับ สงสัยตอนพระอาจารย์อันดโมทนาให้พรญาติโยมเจ้าค่ะญาติโยมควรปฏิบัติเช่นไรบางทีพนมมือรับพรบางทีพนมมืออ่ก้มตัวและญาติโยมต้องอธิษฐานจิตหรือแผ่ส่วนกุศลอย่างไรถึงถูกต้องคือถ้ารับพรก็แล้วแต่ที่อาศัย นั่งปนมมือจะกราบหรือจะอะไรก็เป็นไปตามอัธยาศัยส่วนการที่จะ อ, อนุโมทิศบุญนี้ความจริงควรจะอุทิศในตอนที่เรายัางไม่ได้รับผ่อนก็ได้เพราะการรับพร น, นี้เป็นการให้คําสอนให้ความให้กําลังใจว่าการทําบุญนี้มีคุณมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เ, าเช่นจะได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขะพละ บุญที่เราทํานี้เราสามารถอุทิศแบ่งให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนั้นเวลาพระให้พรควรจะตั้งใจฟังมากกว่าที่จะไปนั่งบน่น พ, พึมพำพึมพำอัทุตแข่งกับการสวดของพระมันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์จากการรับพรควารจริงการให้พรของพระก็เป็นการสอนนั่นเองสอนว่าการทําบุญนี้มีประโยชน์หลายด้านบุญนี้เราอุทิศให้แก่ผู้ร่วงรับไปได้ แล้วบุญที่เราทํานี้ก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้าในาลาภยศสรรเสริญในรูปเสียเอในอายุวันณ่สุขภะละงนั้นคนที่จะแยกกันทําจะดีกว่าแต่ทางธรรมเนียมเขามักจะสอนว่าเวลาพระเริ่มกล่าวญาถาก็ให้สวดให้กรวดน้ําให้อุทิศบุญไปตาจริงเวลาพระสวดเวลาพระให้พรนี้คนจะนั่งฟังจะดีกว่า เราจะอุทิศบุญรอให้พระสวดเสร็จแล้วก็ได้เลือกก่อนก็ได้เรามีเวลาพอถวายเข้าของเสร็จเราก็นั่งอุทิศไปได้เลยมันไม่เกี่ยวกับการสวดการให้พรของพระแต่ธรรมเนียมก็ไปผูกไปติดกันไว้ว่าเวลาจะอุทิศบุญนี้ต้องรอให้พระยะถาก่อนแล้วถ้าเกิดพระเขายาถาไปแล้วเรามาไม่ทันเราจะทํำยังไงเราก็อุทิศบุญของเราเองได้ไม่ต้องมีพระมายาถาให้กับเรามันคนละเรื่องกัน ไม่่เกกียวันคําถามจากคุณสาวิตรีนะครับการวางเฉยมองดูกับเรื่องราวทุกข์ที่มากระทบจนบางครั้งเหมือนเป็นอะไรมาปิดกั้นใจทําให้เฉยเมยจนแยกไม่ออกระหว่างสักแต่ว่ากับติดเฉยขอคําแนะนําด้วยค่ะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เจอของจริงนั่นเองเราจะเจอของจริงต่อเมื่อจิตเรารวมเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาจริง แล้วเราจะรู้ว่าอุเบกขาจริงเป็นอย่างไรอุเบกขาจริงนี่ไม่ได้เฉยเมยถึงเวลาจะต้องทําอะไรก็ทําได้แต่ทําด้วยใจที่เป็นกลางทำได้ใจที่ไม่มีอคติคือไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงนั่นคือความเป็นอุเบกขาแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะเสียแซงไปบางทีเฉยในเวลาที่ไม่ควรเฉยเวลาเขาทํางาน ก, นกันก็กลับไปเฉยี เวลาเขากินกันเราก็ไม่เราก็ไม่เฉยเราก็กินกับเขาอย่างนี้มันก็เรียกว่าอุเบกขาปลอมอุเบกขาของกิเลสเวลากิเลสไม่อยากจะทำอะไรมันก็เฉยเวลากิเลสอยากทำมันก็บอกว่าทำด้วยอุเบกขาคำถามจะคุณเสริมศักการที่มีบุคคลเข้าใจเราผิดจากการฟังคนอื่นเล่าให้ฟังโดยที่ตัวเขาไม่รู้จักเราลึกซึ้งดีพอ แค่ฟังจากคนอื่นเล่าเราจําเป็นที่จะต้องไปอธิบายให้เขาเข้าใจเราไหมครับถ้าก็ถามก็อธิบายได้ถ้าก็ไม่ถามก็ไม่ต้องอธิบายเราเราต้องถ้าเราไม่มีความอยากให้เขารักเราชอบเราหรือไม่เกลียดไม่โกรธเราเราทำใจเป็นอุบเบกขาได้เราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะชอบหรือจะเกลียดเราเพราะข้อมูลที่เขาได้รับไปก็เรื่องของเขา คำถามจากคุณโมนีนะครับการฟังบวชสดมวนมวนหรือฟังเทศจาก youtube ถือว่าได้บุญไหมคะภาพสนแล้วสงบมันก็ได้บุญนะคำถามจากคุณสาลีวันนะครับเราขายของจิตก็พุทโธไปด้วยเราจะได้บุญไหมคะทมได้พุทโธเราก็จะได้สติสติก็เป็นบุญอย่างหนึง่ง ที่จะรักษาให้ใจเราไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านคําถามจากคุณอิสรีนะครับเวลานั่งกรรมฐ า, านแล้วเกิดตัวโยกก็ตามดูและรู้ว่าตัวโยกครั้งต่อไปถ้าเกิดอีกควรทําอย่างไรเจ้าคะไม่ควรตามดูถ้าตัวโยกก็แสดงว่าใจเราไม่มีสติแล้วเราต้องกลับมาหาสติไม่แค่ไปหาที่ตัวร่างกายกลับมาที่พุทโธกลับมาที่ดูลมหายใจ แล้วมันก็จะหายโยกและยโยกนี่แสดงว่าเราใจไม่มีอะไรควบคุมแล้วเหมือนเราตอนนี้เรานั่งคุยกันนี้มันไม่โยกเลยใช่ั้ยเพราะเรามีสติคอยควบคุมพอเรานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรควบคุมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโยกแล้วมันจะมีนิมิตมีอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมาเป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดนี่คือการภาวนาแบบไม่ถูกวิธีภาวนาที่ถูกต้องมีสติคอยกากับใจตลอดเวลา เช่นใช้พุโทโธกำกับใจหรือใช้การดูลมหายใจคอยกำกับใจแล้วรับรองได้ว่าจะไม่โยกจะนิ่งจะไม่มีนิมิตอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมาคําถามจากคุณดอฟฟินนะครับถ้าเราไม่มีลูกแต่บวชให้ผู้อื่นหรือถวายชุดทุกๆปีเราจะได้อ น, นิสง์เหมือนบวชลูกตัวเองไหมคะเราก็ได้อนิสง์จากการที่เราหาสละเงินทองซื้อ บริการให้แก่ผู้บวชไปไม่ว่าจะเป็นลูกเราเรือเป็นใครก็ตามอันนี้สงฆ์มันก็เท่ากันคำถามจากคุณสายน้านะครับวันพระถวายผลไม้อาหารให้พระพุทธได้บุญหรือเปล่าครับไม่ได้หรอกเพราะว่าพระพุทธท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วเรานอกจากว่าเราถวายไปแล้วแล้วเราไม่เอากลับมากินเองก็เราก็ได้บุญถ้า ถอยไปแล้วทางวัดเขาเอาไปทาเอาไปแจกจ่ายไปทาทานหรือไปถวายพระอะไรอย่างนี้เราก็ยังได้บุญจากการให้ทานอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องเราต้องให้ของกับคนที่เขาต้องการจะใช้ไม่ใช่ให้ของกับคนที่เขาไม่ต้องการเช่นพระพุทธรูปนี้ท่านไม่ต้องการอะไรถ้าอยากจะถวายผลไม้ ก, ก็ใส่บาทไป หรือเอาไปให้คนยากคนจนคนที่ก็ไม่มีอาหารขาดแคลนเป็นการทำทานไปแต่แบบนี้เป็นพุทธานุสติป่ะครับพระอาจารย์ไม่หรอกพุทธานุสติก็ต้องพุทโธพุทโธไปหรือจเจริญพุทธสวดอิติปิโสล้างสัมมาไปคำถามจากคุณทําดีนะครับอสอบถามพระอาจารย์แนะนำเรื่องการฝึกกรสินเบื้องต้นครับ กระสินก็เป็นแสงเป็นสีไงวิธีฝึกกสินก็เขาบอกว่าให้นึกถึงสีเช่นสีเขียวสีดําสีแดงหรือเราชอบสีอะไรเราก็นึกถึงสีนั้นตอนต้นเราก็อาจจะดูภาพของสีนั้นไปก่อนดูแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกให้เห็นภาพของสีนั้นอยู่ในใจแล้วพยายามประครับประคองให้ใจเห็นแต่สีนั้นสีเดียวถ้าเห็นอย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ เหมือนกับการใช้พุโทโธใช้ลมหายใจแทนที่จะใช้ใช้ลมหายใจใช้พุโทโธเราก็ใช้สีแทนกระสินก็คือสีสีเขียวสีแดงสีขาวสีอะไรที่เราชอบเราชอบสีอะไรเราก็นึกถึงสีนั้นหลับตาแล้วก็นึกถึงสีนั้นแล้วก็พยายามประครับประคองให้เห็นแต่สีนั้นไปเรื่อยๆใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็จะสงบได้ คำถามหมดแล้วครับอาจารย์ก็ดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมขออย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมแล้วน ะ, ะ ม, มีข้อนึงครับอาจารย์การพิจารณาตามที่เห็นณนะปัจจุบันแม้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือทําบุญหากเป็นเพื่อการละวางหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเรียกว่าเป็นธรรมและเป็นบุญได้ไหมครับ เป็การพิจารณาต่างๆเพื่อรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเราสงบก็ถือว่าเป็นบุญไม่ไปเดือดร้อนกับชาวบ้านเขาบางทีชาวบ้านก็เปิดเสียงด้านบ้านเนี้เราก็เฉยๆไปอปล่อยเขาเขาอาจจะฉลองงานบวชงานเลี้ยงวันเกิดงานแต่งงานเขาก็เลยอาจจะเปิดเครื่องเสียงดังไปหน่อย เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เฉยๆไม่วุ่นวายไม่ไปทุกข์กับเขาก็แสดงว่าเป็นบุญหมดแล้วใช่ไหมจริงๆยังมีอีกพอ้อเอาเลยเอาเอาเลข้อ2ข้อสองข้อจะคุณพลชิตนะครับขออุบายภาวนาเวลาเจ็บป่วยครับพระอาจารย์ว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรก็อย่างที่เมื่อกี้สอนผู้ที่นั่งล้วเจอทุกขเวทนา เวลาไม่สบายมันก็มีทุกขเวทนาเหมือนกันก็ใช้สติประคับประคองใจอย่าให้ไปอยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บมันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ความความอยากของเรามันอยู่ที่เหตุปัจจัยเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายของมันเองถ้ามันยังไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปวิธีจะอยู่ไปโดยที่ไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปให้มีความอยากให้มันหายวิธีจะไม่มีความอยากให้มันหายก็ต้องมีอะไรควบคุมใจอย่าให้มันไปอยาก เช่นให้มีพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจหรือสวดมนต์ไปภายในใจหรือใช้ปัญญาก็ได้บอกว่ามันเป็นอนัตตาความเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะหายไม่หายมันก็เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราก็คือให้เรารู้เฉยๆอย่าไปวุ่นวายไปกับมันก็แล้วกันอย่าไปอยากให้มันหายแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน ครับข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับจากคุณวาสนานะครับเวลาเรานั่งสมาธิเวลาเรารู้สึกตัวว่าหลังเราเริ่มไม่ตรงแล้วเรายืดขึ้นมีข้อเสียไหมคะหรือเราต้องปล่อยไปเรื่อยไม่ต้องบังคับให้ตรงไม่ต้องไปบังคับเพราะเราจะเสียสมาธิเพราะเราต้องการจะอยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องพอเรามาขยับร่างกายเราก็ทิ้งพุทโธ ท, ทิ้งลมหายใจไปแล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ เห็นเวลาร่างกายเวลานั่งแล้วจะรู้สึกเป็นยังไงอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับคําบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจเพียงอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเริ่มต้นใหม่เรื่อยเดี๋ยวก็กลับมายืดตัวใหม่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่เพราะมันขาดตอนไปสติมันขาดตอนไปแล้วหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา